วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้เราจะมาฟังธรรมกันมาฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนานี้ คืออะไรมีหน้าที่มีหรือมีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ที่ให้ความเคารพนับถือศรัทธาเนื่มใสพระพุทธศาสนานี้เปรียบเหมือนกับองค์กรขนส่งมวลชน ที่มีระบบรถไฟฟ้าที่จะขนส่งผูด้โดยสารจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งาศาสนาพุทธนี้ก็เป็นเหมือนระบบขนส่งที่จะพาสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพ คือกามภพบรูปพบและอรูปพบให้ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในทรายพบไปสู่พระนิพพานที่เป็นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่ตั้งของความสุขที่แท้จริงและ ที่ถาวรที่ปราศจากความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้เป็นการอยู่ในกองทุกข์เพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายมีการพลาดพลากจากกัน มีการประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานี่คือที่ตั้งที่อยู่ของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายพวกเรานี้อยู่ในกามพบพบที่เสพกามโมคุลห้าคือเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะ แล้วก็บางท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในรูปภพหรืออรูปภพแต่ตอนนี้กลับมาอยู่ในภพของมนุษย์เพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่หลังจากที่เวลาตายไปแล้วก็จะได้ไปอยู่ที่ รูปภพหรืออารมูปภพรูปภพก็คือภพของผู้ที่ได้รูปฌปานอารมูปภพก็คือภพของผู้ที่ได้อารูปฌปานส่วนกามภพนี้ก็เป็นภพของผู้ที่เสบรูปเสียงกิดลดเวลาตายไปถ้า ได้ทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สุคติถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้ไปเกิดในอบายไ่เกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้าง ไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของมนุษย์ของพวกเราขึ้นอยู่กับการกระทาที่เราเรียกว่ากรร ม, มการกระทาของเราจะเป็นผู้ส่งให้เราไปตามที่ต่างๆหลังจากที่ร่างกายของเราตายไปแล้ว<ม>ถ้าเรา ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าได้ไม่ทำบาปตายไปเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราถือศีลบวชได้ถือศีลแปดได้ฝึกสมาธิได้รูปฌปานเราก็จะไปรู ป, ปรพบถ้าเราถือศีลแปดฝึกสมาธิได้อารูปฌปาน เราก็จะไปสู่อรูปภพภพต่างๆเหล่านี้ที่เราไปกันหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี้เป็นภพที่เราอยู่ชั่วคราวเมื่อบุญกุศลหรือบาปที่ส่งเราไปนั้นมันหมดกำลังมันก็จะทำให้เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาแก่มาเจ็บมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย มาพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนามาพัดพาจากสิ่งที่เราลักเราชอบนี่คือลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างพวกเราตอนนี้พวกเราเป็นมนุษย์กันนั่งกายเป็นมนุษย์แต่ใจของเราที่จะไปเกิดต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้อาจจะเป็นอย่างอื่น บางท่านก็อาจจะเป็นเทพบางท่านก็อาจจะเป็นพรหมบางท่านก็อาจจะเป็นเดรัชานเป็นเปรตเป็นนศรกายหรือเป็นนรกขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านในขณะนี้ว่าท่านกำลังทำอะไรกันอยู่การคือการกระทาของเราทางกายทางวาจา และทางใจนี้จะเป็นผู้ที่ส่งให้เราไปเกิดในภพต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วหลังจากที่ไปอยู่ในภพต่างๆจนบุญหรืบาปที่ส่งให้ไปนั้นหมดกำลังลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แล้วเราก็จะมาทำบุญทมบาป ก, กันใหม่มารักษาศีลมานั่งสมาธิกันใหม่เราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏในโลกในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะที่จะพาให้พวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัฏนี้ได้ออกจากตายพบไปได้ไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือตัวของพระพุทธศาสนาเป็นตัวที่จะพาให้เราได้ออกจากตายภพนี้ไปและการที่เราจะออกจากตายภพออกเดินทางจากสังสารวัฏนี้ไปสู่พระนิพพานไปสู่มรรคผลนิพพาน เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรื่เรียนวิธีการที่จะพาให้เราได้ออกจากตายภพนี้ไปได้ก็เป็นเหมือนกับระบบขนส่งมวลชนการที่เราจะเดินทางจากจุดนี้ไปสู่อีกจุดหนึ่งจุดหมายปลายทางเราก็จำเป็นที่จะต้องซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋ว เมื่อเราซื้อตั๋วแล้วเราก็ไปขึ้นรถพอเราได้ขึ้นรถแล้วรถก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกันถ้าเราไม่ซื้อตัว๋วเราก็จะขึ้นรถไม่ได้เมื่อเราไม่ได้ขึ้นรถเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปไม่ได้กัในใดพระพุทธศาสนาก็เป็นลักษณะเดียวกัน จำเป็นจะต้องซื้อตัว๋วแล้วหลังจากซื้อตั๋วแล้วก็จะเป็นที่จะต้องขึ้นรถเมื่อขึ้นรถแล้วรถก็จะพาให้ผู้โดยสารได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้การซื้อตั๋วของพระพุทธศาสนาเพื่อขึ้นรถของพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่พระนิพพานนี้ก็คือการศึกษา คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะพาให้จิตใจนี้ได้ไปสู่พระนิพพานถ้าไม่ได้มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไปปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาวิธีก็จะปฏิบัติแบบไม่ถูกวิธีเมื่อ ปฏิบัติไม่ถูกวิธีก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางไปไม่ถึงพระ น, นิพพานหรือว่าศึกษาแล้วแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้ศึกษาก็จะไปไม่ถึงหรือว่าศึกษาแล้วไม่ได้ปฏิบัติเอาเพียงแต่ศึกษาอย่างเดียวศึกษาก็ทธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆแล้วก็คิดว่า ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วการศึกษาอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเพียงต่อการที่จะนำจิตใจให้ออกจากสังสารวัฏออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การศึกษาแล้วต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะทำให้จิตใจ นี้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาต้องทำกันถ้าเราอยากที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากตายภพออกจากกรรมภพออกจากรูปภพหรืออรูปภพ เราก็ต้องศึกษาวิธีการว่าจะต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนขั้นตอนแรกนี้ก็สอนให้เราปิดประตูบายก่อนอย่าลงต่ำอย่าให้จิตใจเราลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ปิดประตูบายมันก็เป็นการยากที่เราจะขึ้น ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆได้การที่จะไปสู่พระนิพพานนี้ต้องผ่านสวรรค์ชั้นต่างๆต้องผ่านสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ของพระอริยเจ้า ถ, ถึงจะไปถึงพระนิพพานได้ตามลำดับถ้าเราไม่ปิดประตูบายคือเรายังมีการกระทำบาปอยู่ แทนที่เราจะขึ้นสูงเรากลับจะต้องลงต่ำซึ่งไม่ได้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปคืออบายสี่สถานด้วยกันคือเดลฉานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราไม่ต้องการไปอย่าซื้อตั๋วที่จะพาให้เราไปสู่อบายกัน ตัวที่จะพาให้เราไปสู่อบายนี้ก็มีอบายมุกเนี่ย <อ fue. S 1> การเสพอ บ, บา ย, ยมุกนี้นเป็นการซื้อตั๋วส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองคือการทําบาป <significa> การทําบาปนี้มักจะเกิดจากการไปเสพอบายมุกก่อนเมื่อเสพอบายมุกแล้วก็จะทําให้เกิดมี ความจำเป็นหรือความความบีบคั้นที่จะบังคับให้ไปทำบาปดั <Okay. S 1> ะะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องพยายามทำกันให้ได้ก็คือ mm hmm. ละการเสพอบายมุก mm hmm. แล้วก็ละการกระทำบาป mm hmm. อันนี้เป็นตัวที่จะพาให้เราไปสู่อบายกัน mm hmm. อะไรคืออบายมุก อบายาโมกนี้ก็มีอยู่ห้าอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการดื่มสุรายาเมาของบุญเมายาเสพติดที่ทำให้ขาดสติที่ไม่สามารถควบคุมการกระทำของกายวาจาใจได้ถ้าดื่มของบุญเมาไปแล้วโอกาสที่จะไปทำบาปนี้มันง่ายฉะนั้นต้องพยายาม อย่าอย่าดืมโลาให้เกิดอาการมึมนเมาขึ้นมาอบายมุขข้อที่สองก็คือการเล่นการพนันข้อที่สามก็คือการเที่ยวเต่ข้อที่สี่ก็คือความเกลียดคร้านข้อที่ห้าก็คือการครบคนที่ชอบอบยัอบยมิายยามุขเป็นมิจฉา ถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเตยเขาก็จะชวนเราไปเลเที่ยวเตยถ้าเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านจึงต้องรู้จักคบคนในมงคลสูตรท่านบอกให้คบคนฉลาด อยาคบคนง่อคนงกอก็คือคนที่ชอบเสพอบา ย, ยมุก ค, คนฉลาดก็คือคนที่ไม่ชอบเสพอบา ย, ยมุกไม่ชอบทำบาปทําไมอบา ย, ยมุกจึงเป็นเหตุที่ทำให้เราไปทำบาป ก, ก็อย่างที่สุราเนี่ก็พอดื่มไปแล้วมันเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ เวลาเกิดมีอารมณ์เสียขึ้นมาก็มักจะระบายออกมาด้วยวาจาที่หยาบคายด้วยการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเราสังเกตดูคนที่ดื่มสุรากับเวลาที่เขาไม่ดื่มสุรานี่เป็นเหมือนคนละคนเวลาที่เขาไม่ดื่มสุราเขามีสติเขาสามารถที่จะควบคุม อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดการกระทำของเขาได้เขามักจะเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมด้วยเวลาที่เขาไม่เมาสุรา <c oughs> แต่เวลาที่เขาเกิดเมาสุราขึ้นมาดวยาเสพติดเขากลายเป็นคนละคนไปเลยกลายเป็นเหมือนคนบ้าคนไร้สติไม่มีใครอยากจะก้าวใกล้เข้าใกล้ แล้วก็มักจะไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้ไปทำบาปเพราะก็ไม่มีสติคอยควบคุมใจไปทุบตีผู้หรือถ้าอยากจะไปลักทรัพย์ก็ไปลักทรัพย์อยากจะไปประพฤติผิดประเพณีก็จะไปกระทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา <c oughs> จึงต้องพยายามอย่าไปดืสุราอนอยามา แล้วก็ข้อที่สองของอบายมุข ก, ก็คือการเล่นการพนันการเล่นการพนันนี้ก็จะมักพาไปสู่ความสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะเวลาที่เล่นเวลาที่ได้ก็อยากจะเล่นต่อเวลาที่เสียก็อยากจะเล่นเพื่อที่จะได้เอาคืนเพราะฉะนั้นเวลาได้ก็เล่นต่อ พอที่ว่าจะได้เพิ่มขึ้นอีกแต่มันเวลาเล่นมันก็มีได้มีเสียเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็เริ่มเสียพอเสียก็ก็อยากจะเล่นต่อเพื่อที่ได้เอาคืนเมื่อเงินทองหมดก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงหรือไปขโมยลักทรัพย์ของผู้มาเล่นต่อ หรือถ้าเล่นแล้วเป็นหนี้เป็นสินต้องห า, หาเงินทองมาจ่ายหนี้สินที่เล่นจากการเล่นการพนันก็<อ>ต้องไปหาทรัพย์โดยวิธีมิชอบอไปป้นร้านทองบ้างไปป้นธนาคาร <c oughs> <c oughs> ข่าวเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ถึงคนที่ไปป้นร้านทองป้นธนาคาร <c oughs> เวลาถูกจับได้ก็ตอบว่าเป็นหนี้การพนัน ต้องไปเอาหาเงินมาจ่ายหนี้การพนันถ้าไม่นั้นจะถูกเขาค่าถูกคนเจ้าหนี้เขาตามค่านี่คือผลเสียที่เกิดจากการเล่นการพนันแล้วข้อที่สามของอบายามุข ก, ก็คือการเที่ยวเตร่รือไม่ชอบทํางานทําการชอบเที่ยวการเที่ยวนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่าย เมื่อเที่ยวไปบ่อยๆเข้าเงินทางที่มีอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดลงได้<ม>วันนี้ฝนมาก็เหรอ<ม>ลองนั่งรอดูเดี๋ยวมั้งเดี๋ยวดูฝนเทียมหรือเปล่า<ม>ยังไม่ตกหนักมากมคิดว่าฝนช่วงนี้ไม่ใช่เป็นฝนตกหนักฝน<ม>เทียมใจเย็นๆนั่งสมาธิไปก่อน<ม>คิดว่าเทวดาประพรมน้ำมนต์ให้เราก็แล้วกัน เวลาเราอาบน้ําเปียกมากกว่านี้เรายังเปียกได้เวลาซักผ้าผ้าก็เปียกมากกว่านี้เราก็ยังให้เปียกได้ดังนั้นยังไม่ต้องไม่ต้องกังวลเพราะมันไม่มีที่ไปนั่งไปเถิดนิ่งๆหน่อยๆถ้ามันเปียกมากๆจริงๆแล้วค่อยว่ากันใหม่คิดว่าเดี๋ยวก็หยุดละช่วงฝนช่วงนี้ยังไม่ใช่เป็นฝนจริง ยังเป็นฝนเทียมอยู่ฝนหลอกตกตกนิดเดียวแล้วก็หยุดแหฉะงั้นไม่ได้สั่งพูดตามหลักธรรมชาติของความเป็นจริง <c oughs> ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ช่วงนี้ฝนมันไม่ตกหนักถ้ามันมันตกหนักมันจะต้องมีมีสภาพต่างกันลมจะแรงฝ น, ฝนฝนฟ้ามันจะมืด แสงแสงมันจะมืดแล้วก็มีเมฆมีลมพัดมีฟ้าร้องอะไรทานอง น, งนี้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นฝนจริงฝนแบบนี้เป็นฝนฝนหลงฝนหลงผ่านมาแป๊บเดียวแล้วก็ผ่านไปเมื่อเช้านี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนก่อนออกจะ บ, บินทบาทก็เป็นอย่างนี้มีมานิดๆหน่อยๆแล้วก็จางหายไปเพราะฉะนั้น เรานั่งต่อไปเรามาฟังเทศฟังธรรมต่อไปกำลังพูดถึงเรื่องอบายามุขอบายามุขนี้มันเป็นมันไม่มีรายได้ให้กับเรานะมีแต่รายจ่ายถ้าเราเสพอบายามุขเช่นเกียดค้านไม่ไปทามาหากินชอบเที่ยวชอบเล่นราบความเกียดค้านมันก็จะทำให้เรามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ ทรัพย์ที่เรามีอยู่ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องหมดไปพอมันหมดแล้วมันก็ทำให้เราต้องไปหาทรัพย์โดยวิธีไม่ชอบก็ไปลักขโมยไปช่อโกงไปทำบาปพูดง่ายๆถ้าเราไม่ได้เสพบาบายามุกนี้เราก็จะไม่มีสิ่งที่จะมาบีบทันให้เราไปทำบาป เพราะว่าทรัพย์ที่เราหาได้เราก็จะสามารถรักษาเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จาเป็นต่อการดลรงชีพของเราได้เราก็จะมีทรัพย์พอเพียงต่อการใช้ใจ่ายในการซื้อของบริโภคซื้อปัจจัยสี่แล้วถ้ามีเหลือเราก็สามารถนำอาไปซื้อของอย่างอื่นได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงกันก็คืออย่าเสพประบา ย, ยามุก เมื่อเราไม่เสพบะบา ย, ยามุกแล้วเราก็จะไม่ต้องมีอะไรมาบีบคั้นให้เราไปทำบาปไม่บีบคั้นให้เราต้องไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปช่อโกงไปลักทรัพย์หรือว่าไปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าเราไปประพฤติผิดประเพณีการที่เราจะไปอาบายนี้เกิดจากการทำบาป อบายามุขนี้ยังไม่ได้เป็นตัวที่จะพาให้เราไปไปอบายกันแต่เป็นตัวที่จะเป็นตัวผลักดันให้เราไปกระทำบาปกันดังนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องละอบายามุกอย่าเสพอบายามุกแล้วการที่จะมีอะไรมาบีบคั้นให้เราไปทำบาสนี้ก็จะไม่มีหรือมีน้อยมากโอกาสที่เราจะทำบาปก็จะมีน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสทำได้อยู่ เพราะถ้าเราเกิดความโลภอะไรอยากได้อะไรมากๆขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถหามาได้ด้วยวิธีสุจริตเราก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตก็ได้หรือว่าถ้าเราเกิดรูปแก่โทสะโดยความโกรธขึ้นมามากๆาก็อาจจะทำให้เราไปทำร้ายผู้อื่นได้แต่อย่างน้อยเราก็จะไม่ได้ทำบาปเพราะ อบายยมุกเป็นตัวคอยผักดันเราส่วนเหตุที่จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกันก็คือให้เรามีฮิลิโอตปะฮิลิคือความละอายโอตปะคือความกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนแล้วเราจะได้ยินได้ฟังถึงผลของการกระทำบาปว่า จะทําให้เหล่านี้ <Yeah. S 2> เป็นคนที่ไม่มีความน่านับถือ <Yeah. S 2> เป็นคนที่ไม่มีใครเขา <Yeah. S 2> จะชื่นชมยินดี <Yeah. S 2> หรืออยากจะคบค้าสมาคมด้วย <Yeah. S 2> เป็นคนน่ารังเกียจ <Yeah. S 2> พูดง่ายๆ <Yeah. S 2> ถ้าเราอายเราไม่อยากจะเป็นคนที่น่ารังเกียจเราก็อย่าไปทําบาป <Yeah. S 2> เราต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริต คนซื่อสัตย์สุจริตนี้เป็นคนที่มีคนเขายินดีที่จะคบค้าสมาคขมด้วยยินดีที่จะยกย่องสรรเสริญจะไม่จะไม่ตาหนิติเตียนไม่รังเกียนินี่คือความอายของการกระทาบาปถ้าเราทำบาปแล้วถ้าเรามีความรู้สึกอายไม่อยากจะให้คนอื่นเขารังเกียิเรา เราก็อยากไปทำบาปเราก็จะไม่กล้าทำบาปเราก็ให้เรานึกถึงผลที่เกิดจากการทำบาปผลที่เกิดจากการทำบาปนี้ก็อย่างที่พูดเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยจะต้องไปเกิดในอบายที่ใดที่หนึ่งแล้วแต่ว่าการทำบาปของเราทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงหรือความไม่รู้ว่าเป็นบาป ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ า, านถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนอ ส, สุลกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรม <c oughs> ก็จะไปนรก <c oughs> นี่คือที่ที่จิตใจของเราจะต้องไปถ้าเราทำบาป <c oughs> แล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เวลาทำบากนี้ใจของเราจะไม่มีความสุขใจของเราจะมีความทุกข์ใจกังวลใจหวาดกลัวกัวที่จะถูกไปจับไปลงโทษต้องติดคุกติดตารางเพราะการทำบาปก็เป็นการทําที่ผิดกฎหมายนั่นเอง ใ, ให้เรานึกถึงผลบาปที่จะตามมาแล้วเราจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราจะได้จากการทำบาปนี้มันไม่คุ้มค่า เพราะเราคิดว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเราจะได้มีความสุขเราอยากจะทําอะไรอยากจะไปที่ไหนอยากจะได้อะไรเราไม่มีเงินเราก็เลยไปาโมยเงินมาเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้แต่มันได้มาแล้วความสุขที่ได้มามันสู้ความทุกข์ที่มันได้จากการทำบาปไม่ได้มันจะไม่มีความสุขจากการยากสิ่งที่เราได้มาจากการกระทำบาป เพราะใจเราจะมีความหวาดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ยนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่กล้าทำบาป ก, กันสิ่งที่จะมาทำให้เราปิดประตูะบายกันไม่ให้ใจเราลงต่ำเพราะการลงต่านี้ไม่ได้เป็นการไปสู่พระนิพพานเป็นการเดินห่างไกลจากพระนิพพานไปอีกจากฐานะที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ตอนนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ย เราอยู่เหนืออบายกันเราอยู่ใกล้นิพพานมากกว่าการไปผิวในอบายเช่นถ้าเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี้โอกาสที่เราจะไปนิพพานนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้เขาจะไม่เข้าใจภาษาของพระพุทธศาสนาที่สอนวิธีให้เขาไปถึงพระนิพพาน ถ้าเป็นเบลฉ า, านี่ถึงแม้จะมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรามาเกิดเป็นสุนัขหรือเป็นแมวหรือเป็นนกที่เราได้ยินเสียงร้องนี่ถึงแม้จะได้มาอยู่ในวัดก็ตามแต่สัตว์เหล่านี้เขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลยตอนนี้เขาได้ยินเสียงเสียงธรรมแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร เขาก็อาจจะฟังว่าเป็นเหมือนเสียงนกร้องเสียงการ้องนี่เองเขาจะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดเขาต้องรอให้เขาได้กลับมาเก e <twice>. ิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วต้องกลับมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้องค์ใดองค์หนึ่งถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เหลืออยู่ในโลกนี้แล้ว ก็จะไม่มีใครมาสอนวิธีที่จะไปสู่พระนิพพานได้ดังนั้นอย่าทําบาปเพราะว่าเกิดว่าชาตินี้เราตายไปก่อนยังไปไม่ถึงนิพพานแล้วถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เด้รำคานถึงแม้จะกลับมาเกิดในโลกนี้ที่ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนานี้ก็จะไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดพระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่าศาสนาของพระองค์นี้จะอยู่ในโลกนี้ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันนี่ก็ผ่านมาเกินครึ่งหนึ่งแล้วเราอยู่ในพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเราอยู่สองพันเกินครึ่งหนึ่งของห้าพัน ห้าพันก็สองพันห้าร้อยครึ่งของห้าพันก็สองพันห้าร้อยนี่เกินมาหกสิบหกปีแล้วแสดงว่าอายุของศาสนานี้จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเราเกิดเราตายไปแล้วเราโอกาสหน้ากลับมาถ้าเรากลับมาถ้าเราไปตายแล้วไปเกิดในภพต่างๆยังไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อาจจะเป็นหลายปีหลายพันปีก็ได้ เพพบในสวรรค์มันยาวพบในอบายพบในนรกนี่มันยาวกับพบของมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์มาสอนให้เรารู้จักวิธีออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นะดังนั้นอย่าไปทําบาปพยายามรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ด้วยการไม่เสพอบา ย, ยมุขและไม่ ไม่กระทำบาปคือพยายามรักษาศีลห้าให้ได้อย่างมั่นคงถ้าเรายังไปไม่ได้สูงกว่านี้ถ้าเราตายไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยซึ่งอาจจะกลับมาทันกับพระพุทธศาสนาที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในในโลกนี้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะออกจากออกจากออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปไปสู่พระนิพพาน เราก็ต้องไปสู่จุดที่สูงกว่าภพของมนุษย์ก็คือเราต้องมุ่งไปสู่ภพของเทวดาก่อนและและการการทำที่จะพาให้เราไปสู่ภพของเทวดาก็คือการทำบุญทำกุศลต่างๆการทำทานเช่นการทาทานชนิดต่างๆจะเป็นการถวายสังฆทานทำบุญใส่บาตรจะเป็นการ ถวายผ้ากรถิ่นถาาวายผ้าป่าหรือร่วมกันสร้างถาวรและวัตถุต่างๆทร้างศ า, ศาสนาสร้างโบส์สร้างกุฏิสร้างเจดีย์หรือทํางานเกี่ยวกับทางองค์กรสาธารณชนทําประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์เช่นบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลให้โรงเรียนให้สถานสงเคราะห์คนพิการคนผู้สูงอายุ ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแสัตว์ที่อาจจะถูกจับไปฆ่าก็ปล่อยปล่อยโคปล่อยควายปล่อยนกปล่อยปลาทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเรียกว่าบุญกุศลการทำบุญทากุศลนี้จะทำให้เราเกิดมีมีความเมตตาต่อสรประสัตว์ทั้งหลาย การมีเมตตากรุณานี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของเทพของเทวดานั่นเองถ้าเราได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆใจเราก็จะยกระดับสูงขึ้นอยากมนุษย์เราก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่ามนุษย์ที่ให้ความสุขกับเรามากกว่าของมนุษย์ก็คือภพของเทวดาสมมุติว่าถ้าเราตายไปก่อนที่เราจะไปถึงพระนิพพาน ตายไปเราก็จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับบุญที่เราทำมากน้อยคนที่ทำบุญมากก็จะไปสวรรค์ที่สูงคนที่ทำบุญน้อยก็ไปสู่สวรรค์ที่ต่ำความแตกต่างของสวรรค์ที่มีหลายชั้นก็คือระดับของความสุขนะนองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็มีความสุขน้อยกว่าสวรรค์ชั้นที่สอง ชั้นที่สองก็น้อยกว่าชั้นที่สามตามลําดับรู้สึกว่าจะมีอยู่หกชั้นด้วยกันสวรรค์ชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับการกระทําบุญของเราการทำบุดีของเราว่าเราทํามากน้อยเพียงไรเราสามารถรับระดับวัดระดับความสุขของสวรรค์ว่าเราอยู่ชั้นไหนอยู่ในระดับไหนได้ก็อยู่ที่ใจของเราว่าใจของเรานี้มีความสุขมากขึ้นหรือมีความสุขน้อยลง เวลาวันไหนที่เรามีความสุขก็ที่เกิดจากการทําบุญมากขึ้นก็แสดงว่าเราได้สวรรค์ที่ชั้นสูงขึ้นถ้าวันไหนเรามีความสุขน้อยกว่าก็แสดงว่าสวรรค์ของเราลดลงมาลดต่ําลงมาสวรรค์ก็คือความสุขใจนี่เองเราจะสามารถที่จะตรวจสอบสวรรค์ของเราได้ว่าเราอยู่ชั้นไหนก็เวลาที่เรานอนหลับนี่ เวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีอันนั้นแหละความฝันดีนี่แหละเป็นตัวอย่างของสวรรค์เพราะว่าเวลาเรานอนหลับนี้เราก็เหมือนคนตายเพราะเวลานอนหลับนี้ร่างกายก็นอนอยู่เฉยๆเหมือนคนตายเราไม่ได้ใช้ร่างกายพาให้เราไปหาความสุขจากลูกเสียงกดลิ่นรสพุทธภาพ ต, ต่างๆแต่ใจเรายังอยากจะมีความสุขจากลูกเสียงกดลิ่นรสพุทธภาพอยู่ใจเราเราก็เลยเอาบุญที่เราทํานี่แหละ มาสร้างเหตุการณ์ต่างๆที่ให้เราได้รับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เป็นความสุขเวลาเราฝันดีนี่เรียกว่าเป็นอนิสงค์ของบุญที่เราทําแสดงว่าถ้าเราตายไปเนี่เราต้องไปสวรรค์กันแต่ถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายฝันถึงเรื่องที่ไม่ดีต่างๆฝันว่าเราตกทุกข์ได้ยากลําบากหิวโหย หรือถูกผู้อื่นเขาทุบตีทรมานร่างกายเราอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นตัวหนังตัวอย่างของอบายของจิตใจที่เราจะไปต่อเป็นผลของที่เกิดจากการทำบาปของเร า, างั้นก็ถ้าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราตายไปในตอนนี้เราจะไปสูงหรือไปต่ำเนก็ดูความฝันของเราว่าเราฝันอะไรมากกว่ากัน ฝันร้ายมากกว่าฝันดีหรือฝันดีมากกว่าฝันร้ายถ้าฝันดีมากกว่าฝันร้ายก็แสดงว่าเราจะไปสุขสติไปสวรรค์แต่เราฝันร้ายมากกว่าฝันดีก็แสดงว่าเราจะไปอบายกันนี้คือสภาพของอบายหรือสวรรค์เวลาที่เราไม่มีร่างกายมันก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับฝันไปนั่นเองแต่เวลาที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันกันเราคิดว่าเป็นของจริง เราคิดว่ากําลังเกิดเหตุการณ์จริงกับเ ร, เราเราคิดว่าเรากําลังได้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้น <S 1> <S 1> สิ่งนี้หรือได้มีความทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าเราฝันเราตอนที่เราฝันเราคิดว่าเป็นเรื่องจริงเหมือนกับเราตอนที่เราตื่นอยู่ในขณะ น, นี้แต่เวลาเราหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้สึกว่าอ๋อเมื่อกี้ฝันดีเมื่อกี้ฝันไม่ดีนี่คือโลกของ จิตวิญญาณของเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วบุญกับบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะมาสร้างสร้างฝันให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าบุญก็จะสร้างฝันที่ดีเรื่องราวที่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าบาปก็จะมาสร้างเรื่องที่ไม่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสนี่แหละคือนรกหรือสวรรค์เป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านจะไม่เข้าใจ แต่ถ้าท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้ทำได้ฝึกได้ฝึกสมาธิเนี่ยท่านก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนต่อไปตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นด้วยตนเองก็ขอให้มีศรัทธาในผู้ที่ได้รู้ได้เห็นแล้วจะปลอดภัยกว่าการไม่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสารลกก็ดีท่านเห็นเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์มาแล้ว ท่านเห็นการเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วท่านไม่ได้มาโกหกหลอกลวงเราเพราะท่านไม่ได้มาหวังอะไรจากเราเลยแม้แต่บาทเดียว<ม>พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ไม่เคยมาเรียลายขอเงิน<ม>ขอทองพระอริยสงสาร ก, ก็เช่นเดียวกันเวลาท่านแสดงธรรมนี้ท่านเอาความจริงมาสั่งมาสอนเราให้เราได้เห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่ว เห็นนรกเห็นสวรรค์เพื่อที่จะได้รู้วิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อที่จะพาให้จิตใจเราได้ไปสู่ที่ดีที่ชอบไม่ให้ไปอยู่สู่ที่ไม่ชอบไปที่ไม่ดีถ้าเรายังเมองไม่เห็นด้วยตัวของเราเองสิ่งที่เราควรที่จะมีก็คือความเชื่อมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพราะเมื่อเราได้มีศรัทธาเราก็จะได้เชื่อฟังคาสั่งคาสอน เราก็จะได้ตั้งใจศึกษาเพื่อเราจะได้เรียนรู้ว่าเราควรจะกระทําตัวเราเองอย่างไรเชนะ่นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเบื้องต้นเราต้องมาละอบายมุกละการกระทําบาปก่อนอย่าไปทําทําแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อไปอบายแน่นอนอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเชื่อหรือไม่ขังเชื่อมันอยู่ที่การกระทําถ้าเชื่อแล้ว เชื่อว่ามีอบายแต่ยังไปทําบาปอยู่ <abbrevi ations. S 1> ก็ก็ไปอบายถ้าเชื่อแล้วว่ามีอบายก็ถ้าไม่อยากจะไปอบายก็อย่าไปทาํา บ, บาปพอไม่กระทําบาปแล้วมันก็ไม่ไ ป, ไไไปอบายการจะไปอบายหรือไปสวรรค์นี้ไม่ได้อยู่ที่ความเชื่ออย่างเดียวการเชื่อนี้ไม่ได้พาให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายแต่การกระทําของเราที่จะเป็นตัวพาให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายถ้าเราเชื่อแต่เรายังไม่เชื่อว่าบาปมี บาปจะพาให้เราไปอาบายแต่เรายังอดทําบาปไม่ได้พอถึงเวลาตายไปมันก็ไปอาบายถ้าเราเชื่อว่าสวรรค์มีแต่เรายังไม่มีไม่มีความยินดีหรือไม่มีกำลังที่จะทที่จะทำบุญไม่ทำบุญเราก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ถึงแม้ว่าเราเชื่อว่ามีสวรรค์ก็ตามเชื่อแล้วเราก็ต้องพยายามเพียรพยายามทาในสิ่งที่ดีกับเราแล้วเพียรพยายามละการกระทาที่ไม่ดีกับเรานั่นเอง ก็คือเพียรทำบุญเพียรละบาปบาปอย่าไปทำพยายามทำแต่บุญพยายามรักษาศีลห้าละอบายมุกแล้วก็พยายามทำบุญตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปการทำบุญนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องทำด้วยทรัพย์สินเข้าของเงินทองอย่างเดียวการทำบุญเช่นทานนี้มีหลายอย่างการให้ทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองเรียกว่าวัตถุทาน แต่ยังนมีอย่างอื่นที่เราให้ได้คือวิทยาฐานให้วิชาความรู้ถ้าเรามีวิชาความรู้เรานำไปสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่เก็บค่าถ้าเราค่าเลาเรียนให้เรียนทีสอนเด็กบางทีเราเป็นครูเรามีวิชาความรู้สอนเด็กพิเศษให้เขาเรียนพิเศษเสริมความรู้ให้กับเขาโดยที่ไม่เก็บเงินเก็บทองอันนี้เราก็ถือว่าเราได้ทาบุญแล้ว ทำบุญแบบนี้เราเรียกวิวทยาทาน<ม>บุญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้อภัย<ม>เวลาใครเขาทำให้เราโกรธแค้นโกรธเคือง<ม>แทนที่จะไปฟ้องร้องเขาจับเขาไปลงโทษเราก็ให้อภัยเขามมไม่ถือโทษโกรธเคืองไป<ม>อย่างนี้เราก็ได้บุญ<ม>บุญก็คือความสบายใจความสุขใจ<ม>เวลาโกรธใครนี่มันร้อนใจมันร้อน พอเราให้อภัยเขาได้แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย mm. อันนี้คือ mm. การให้ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีทรัพย์สมบัติเงินทองถึงจะทําบุญได้ mm. นอกจากนั้นถ้าเรามีเวลาเรามีร่างกายที่แข็งแรงเราก็อุทิศเวลากับอุทิศกาลังกายของเราทํางานให้กับสาธารณประโยชน์ก็ได้ไปเป็นไปเป็น ไ, ไปเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครช่วยองค์กรสาธารณกุศล บางคนก็ไปช่วยปอแตักตึงช่วยร่วมกันยูไปช่วยกันกู้ภัยต่างๆเวลาเกิดมีภัยธรรมชาตินึกอุบัติภัยผู้คนตกเดือดร้อนเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องการความช่วยเหลือในด้านปัจจัยสีล้วก็การช่วยกันไปขนของไปไปช่วยเหลือกันนี่เราอย่างนี้ก็เรียกว่าไปการทำบุญทำทานได้เช่นเดียวกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจะต้องมีเงินอย่างเดียวถึงจะทำบุญได้<ม>การทำบุญก็คือการทำความดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนั่นเองมไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็<ม>กดี<ม>ทำได้หมดมแล้วเราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้สวรรค์เป็นผลตอบแทน<ม>เวลาที่เราตายไปแล้ว<ม> น, น, นี่คือขั้นที่สองขั้นแรกให้ปิดประตูบาย ขั้นที่สองให้ยกระดับจิตของเราให้ขึ้นสู่ระดับสวรรค์ให้ให้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วจากนั้นเราก็ต้องขึ้นสู่ชั้นที่ขั้นที่สามคือ ข, ขั้นให้ให้ขึ้นไปเป็นชั้นพรหมเป็นไ ป, ไปสวรรค์ชั้นพรหมเพราะสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นสวรรค์ที่ละเอียดที่สุขขุมที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพ การที่เราจะไปสวรรค์ชั้นเทพด้า น, นี้เราต้องละการหาความสุขแบบเทพเทพหรือมนุษย์นี้ยังหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่คือเราต้องออกจากกาสมาภพเพราะเทเพราะสวรรค์ชั้นพรหมคือรูปประมพก็ดีอรูปประมพก็ดีนี้อยู่อีกระดับหนึ่งอยู่อีกภพหนึ่งไม่ได้อยู่ในกาสมาภพเราเรียกว่าอยู่ในรูปประภพหรืออรูปประภพ การที่เราจะไปสู่รูปภพหรืออรูปภพได้นี้เราต้องออกจากการมาพบก่อนการจะออกการมาพบเพื่อเข้าสู่รูปภพนี้เราก็ต้องละเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดก็คือเราต้องมาถือศีลบวชกันศีลบวชก็คือศีลแปดเพิ่มอีกสามข้อจากศีลห้าแล้วเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการเม ม, มาเป็นอ布 ร, รมจริยา การเมนี้ยังอนุญาตให้เราร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้แต่พอเรามาถือศีลแปดนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอบร ม, มัจจริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยเราไม่ต้องการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราจะมาหาความสุขจากการที่มาทำใจให้เป็นฌานเป็นรูปฌปานหรือเป็นอรูปฌปานเพราะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของ ของการเสพรูปเสียงกลิ่นลดนี่เงนั่นนี่คือเราต้องมาถือศินแปดกันไปอย่างน้อยหรือถ้าเราไปบวชเป็นพระก็ถือศิน227บวชเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีก็มีสินงภิกษุณีแม่ชีก็มีสินของแม่ชีที่ต้องถือกันแต่เป้าหมายก็เหมือนกันก็คือให้ออกจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลด ไม่หาความสุขจากการดูการฟังการกินการดื่มอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นก็จะมีศีลข้อหกหรือไม่ให้กินมากเกินไปกินเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อกินกินพอเลี้ยงดูร่างกายได้กินเพียงเที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่กินก็ไม่ตายถ้าอยากกินก็แสดงว่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้ไม่ได้กินเพื่ออยู่กินเพื่ออยู่เพื่อกิน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะกินเพื่ออยู่แล้วก็กินแค่เที่ยงวันก็พอแต่ถ้าเราอยู่เพื่อกินแล้วก็กินได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาห้ามตั้งแต่เช้าไปกั่งถึงเวลาจะเข้านอนแต่กินแบบนี้อยู่แบบนี้มันจะพาให้เราติดอยู่ในกามมภพนะเราจะไม่สามารถออกจากกามมาภพเพื่อไปสู่พระนิพพานได้นะถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานขั้นต้นเราต้องออกจากกามภพก่อน แล้ไปสู่รูปภพหรืออรูปภพคือไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิกันไปทําใจให้สงบเพราะถ้าใจเราสงบได้เราก็จะได้รูปประฌานหรืออรู ป, ประฌานแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆในการที่เราจะฝึกสมาธิให้ได้ผลนี้ก็อย่างที่พูดเบื้องต้นก็ต้องมีการถือศีลแปด ถ้าไม่ให้เราไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรดเมื่อกี้พูดถึงศีลนหกข้อหก็คือไม่ให้กินมากเกินไปกินเพื่ออยู่ให้ยุติการกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะดื่มพอน้ํายังต้องดื่มอยู่ก็ดื่มน้ําเปล่าๆไปอย่าดื่มน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรดเพราะนั่นเป็นการเสบ ร, ร, รูปเสียงกลิ่นรดนั่นเองถ้าเรายังไปเสบเครื่องดื่มที่มีสีมีกลิ่นมีรดนี่ ถึงแม้เราจะหิวน้ำแต่เราก็ขอดื่มน้ำชากาแฟดื่มน้ำผ ล, ลไม้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นการเสพกลามอยู่ถ้าไม่อยากจะเสพกลามก็ต้องดื่มน้ำเปล่าๆน้ำน้ำดื่มสะอาดเพราะนี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องการร่างกายได้น้ำเปล่าๆก็พอเพียงส่วนกิเลสความอยากเสพกลามนี่มันจะอยากได้น้าที่มีสีมีกลิ่นมีรสชาติ ถ้าเราอยากจะออกจากการมมาพบเราต้องอย่าไปดื่มน้ําที่มีสีมีกลิ่นมีรสให้ดื่มน้ําเปล่าๆดื่มเพื่อร่างกายไม่อย่าไปดื่มเพื่อกิเลสเพราะกิเลสมันจะดื่มให้เราติดอยู่ในการมมาพบนั่นเองอันนี้คือการกินการดื่มนังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ให้เรามาถือศีลข้อเจดศีลข้อเจ็ดก็คือให้เราละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูก ทางด้านโมหรศพและบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานบันเทิงต่างๆแล้วก็ไม่เสริมความงามของร่างกายด้วยเสือ้อผ้าอาพรที่วิจิตพิสดารไม่เสริมหน้าตาเผ่าผมด้วยเครื่องสมอางด้วยน้ำมันน้ำหอมชนิดต่างๆใหๆๆ้เราลเวื่การกระทาเหล่านี้ พอเราจะได้มีเวลามาฝึกจิตใจมาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบเพื่อเราจะได้เสพความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากความสงบแล้วข้อที่8ก็คือให้เรานอนน้อยๆอย่านอนมากเกินไปนอนเท่าที่จำเป็นต่อความต้องการของร่างกายปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนวันละไม่เกินสี่ห้าชั่วโมงก็พอเพียง แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาหนๆบนเตียงสําราญที่มีความสุขสบายมากๆเวลาที่ร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วใจจะไม่อยากจะลุกยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงก็จะทําให้สูญเสียเวลามีค่าที่เราจะเอามาใช้กับการสร้างความสงบสุขให้กับใจเราต้องสละความสุขทางกายสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราถึงจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดมีไว้เพื่อให้เราละงับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกมืนกายเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเอามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบการที่จะทําใจให้สงบได้นี้เราต้องไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆอยู่ที่คนเดียวอยู่ที่ไม่มีใครมารบกวนอยู่ห่างกายจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นนั้น เพราะถ้าเราได้ไปสัมผัสได้ยินเสียงหรือเห็นรูปมันก็อาจจะทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาอยากที่จะไปดูไปฟังขึ้นมาทันทีเพะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะทําใจให้สงบมักจะต้องไปหาที่สงบตามป่าตามเขากันพระพุทธเจ้าและบรรดานั้งบวชทั้งหลายนี้ท่านไม่ได้อยู่ในวังพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในวังเพราะรู้ว่าถ้าอยู่ในวังนี้ฝึกสมาธิทําใจให้สงบนี่ยากท่านก็เลยต้องออกบวช แล้วก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ที่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มาคอยยั่วยวนกวนใจนั่นเอง<ม>ขั้นที่หนึ่งก็คือต้องไปถือศีลถือศีลแปขั้นที่สองไปหาที่สงบอยู่ตามลำพังแล้วถ้าไปอยู่ร่วมกันหลายคนเวลาที่มาทำกิจกรรมก็อย่าพูดคุยกันอย่าสนทนากันต่างคนต่างมีนหน้าที่ทำอะไรก็ทำไป แล้วเมื่อเสร็จภารกิจก็ให้แยกออกจากการอย่าคลุกคลีกันอย่าจับกลุ่มคุยกันสนทนากันทํากิจการที่ไม่สำคัญที่ไม่จำเป็นต้องทําให้แยกกันไปไ ป, ไปอยู่ที่สงบของตนเพื่อที่จะได้เจริญสติการเจริญสติเพื่อให้ใจนิ่งสงบให้ใจหยุดคิดนี้จำเป็นที่จะต้องไม่มีอะไรมาคอยดึงใจให้ไปไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันก็จะดึงให้เราไปหาคนนั้นคนนี้ไปพูดไปคุยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กันยั่งต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่คนเดียวก็เรียกว่าปีกวิเวกพอเราอยู่คนเดียวแล้วใจเราก็ยังคิดอยู่เพราะบันทิตัยของใจมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันไม่เคยหยุดคิดมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเราก็ต้องมาฝึกสติสร้างสติขึ้นมา สตินี้เป็นตัวที่จะทําให้ใจเราหยุดคิดได้เราต้องฝึกทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นถ้าเรามาฝึกสติตอนที่มานั่งสมาธิอย่างเดียวนี้สติจะไม่มีกําลังพอที่จะยับยั้งความคิดปรุงแต่งความพุ่งสร้างของจิตเพื่อให้จิตสงบได้ทางที่เราจะทําให้จิตสงบได้นี้เราจาเป็นที่ต้องฝึกสติหยุดความคิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอตื่นพอลืมตาขึ้นมาเราต้องคอยควบคุมความคิดแล้วและสิ่งที่เราจะสามารถที่เราจะมาใช้ควบคุมความคิดได้ก็คือการใช้การระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพอลืมตาขึ้นมาพอใจจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็พุทโธเลยพุทโธพุทโธไป แล้วเราก็ไปทําภารกิจที่เราต้องทําที่จําเป็นเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดขณะที่เราทําภารกิจเหล่านี้ก็อย่าปล่อยให้ใจคิดใ ห, ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดคอยลดความคิดให้น้อยลงไปตามลําดับถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลาเรามานั่งสมาธินี้ใจจะไม่ฟุ้งใจจะไม่คิดมากแล้วเวลานั่งจะไม่รู้สึกเอึดอดัด เวลานั่งป๊อปก็สามารถที่จะพุโทโธต่อได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจากพุโทโธมาดูลมหายใจเข้าออกก็ดูได้ดูที่ปลายจมูกดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องคิดอะไรให้รู้อยู่ว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกลมสั้นหรือลมยาวก็รู้ตามความเป็นจริงของมันลมละเอียดลมยาวก็รู้ตามความเป็นจริงลมหายไปก็รู้ว่ามันหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจ ให้รู้เฉยๆรู้อยู่ที่จุดเดิมรู้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเองถ้าเราทําอย่างนี้ได้เดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบพอจิตนิ่งสงบแล้วก็หยุดคิดไม่ไม่ต้องพอมันหยุดคิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปห้ามมันแล้วเพราะมันจะไม่คิดของมันเองแล้วตอนที่มันหยุดคิดมันก็จะเกิดความมหัศจรรย์ใจเกิดความนิ่งเกิดความสงบเกิดความสุขที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนอันนี้แหละคือความสุขที่เราจะได้จากการทําสมาธิ คือเรียกว่าใจเราก็ได้เข้าฌานสี่แล้วพอจิตนิ่งสงบนี้เราได้เข้ารูปฌปานสีแล้วพอได้เราเราได้ความสุขันนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะไปละการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เพราะความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้แต่ ความสุขนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวและความอยากที่อยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นลดมันก็ยังไม่ได้หายไปมันเพียงถูกกำลังของสติกดเอาไว้แต่พอถอนสติออกมาพอจิตถอนออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากเสพลูปเสียงกลิ่นรดก็ยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่พอถ้ามันโผล่ขึ้นมาได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวร เราก็สอนใจว่าความสุขที่เราจะไปหาจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้สองความสุขที่เราไปหาจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียใจเราก็อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกลับมาหาความสุขจากการทาใจให้สงบจะดีกว่า อันนี้คือขั้นขั้นที่สามคือขั้นใช้ปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะมากาจัดความอยากต่างๆตัวที่จะดึงให้เรามาติดอยู่ในกามะภพในรูปะภพและอรูปะภพเวลาอยากจะเสพกามก็พิจารณาว่ากามนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นของที่เราสั่งให้มันให้ความสุขกับเราอย่างเดียวไม่ได้ บางทีมันก็ให้ความสุขกับเราบางทีมันก็ให้ความทุกข์กับเราเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นของไม่แน่นอนเราต้องใช้ปัญญาว่าอย่าไปติดการมาสุขพอเราปล่อยการมาสุขได้เราก็จะมาติดความสุขจากรูปประชานหรือรูปประชานเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ารูปรรประชานกับรูปประชานก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกันเวลาเราเข้าฌานได้เราก็มีความสุข เวลาเราออกจากรูปฌานมาหรือออกจากอรูปฌานมาความสุขที่ได้ก็หายไปพอหายไปมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขก็จะทำให้เราอยากจะได้รูปฌานหรืออรูปฌานนี่เราก็จะติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานถ้าเรายังติดในรูปฌานอรูปฌานเราก็ยังติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพอยู่ยังออกไปสู่พานิพาน์ไม่ได้ถ้าเราอยากจะออกไปจากพานิพันธ์เราก็ต้องละความ ความอยากที่จะเสพรูปประชานละความอยากที่จะเสพอารูปประชาญเพราะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราละได้ใจเราก็จะออกไปถึงพระนิพพานได้พอเราไปถึงพระนิพพานเราก็จะไปเจอความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเป็นความสุขที่ปราศจากความอยากนั่นเองความอยากทั้งสามที่หายไปจากการปฏิบัติ ความอยากเสพกามความอยากเสพ ร, รูปประชาญความอยากจะเสพอรูปประชาญพอมันหายไปหมดมันก็ทำให้ใจนี้ปรากฏความสุขที่ไม่มีที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรเพราะว่ามันไม่มีวันเสื่อมมันสุขไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ24ชั่วโมงตลอดอนันตกาลและเป็นความสุขที่อิ่มที่พอที่จะทาให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติไปถึงท่านได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนของพระพุทธศาสนาหรือท่านได้ตีตัวหรือศึกษา ว, วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องพอได้ตีตัวแล้วท่านก็ไปขึ้นรถการขึ้นรถก็คือการไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนญายะปฏิปันโน สามีจิตปฏิปันโนพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลที่ตามมาก็คือมรรคผลผนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาคือเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต้องตีตัว๋วต้องขึ้นรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถินกว่าจะรถจะพาไปถึงจุดหมายปลายทางเราต้องศึกษาคำสอนศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง พอเราปฏิบัติถูกต้องเราจิตเราก็จะขยับขึ้นสูงไปเรื่อยๆจากมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทศจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้าจากพระอริยเจ้าก็ไปถึงพระนิพพานนี่คือขั้นตอนของการดำเนินการของทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็คือระบบขนส่งจัดโลกให้ออกจากสังสารวัฏ โลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ไปสู่โลกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดโลกที่ไม่มีความทุกข์ก็คือพนานิพานหน้าที่ของาศาสนาก็คือพาสัตว์โลกออกจากการเวียนว่ายตายเกิดประโยชน์ของาศาสนาก็คือพาให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปูราปาริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอ oh ุปการปติอิชิตังปัทิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปะนะราโสยถาไม่โชติราโสยถาสัพพิติวิวาจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวตวันตวายุสุขีทิขายุโกภวา อาพิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวะฏานติอายุวโนโสุขังภาลางํงลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ฉเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย จะถามเองก็ได้แลื้อเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ถ้าวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้พี่มีผู้รับฟังธรรมานาคุ ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ541ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์329 YouTube DrV Channel 75วิทยุออนไลน์16 c l ับ h o u s ์8หน้ากุด188รวมทั้งหมด 1,157 ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญเอามาถามได้เลย คำถามจากผู้เราฟังนากรุค่ะการถวายดอกไม้บูชาในวันพระถือว่าได้บุญไหมคะได้เป็นอมิสบูชา การทําบุญแล้วต้องการอุทิศบุญกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจําเป็นต้องสวดบทแผ่เมตตาหรือเพียงนึกถึงชื่อก็จะได้รับผลบุญนั้นแล้วคะเพียงนึกถึงบุคคลนั้นจะนึกถึงชื่อก็ได้หรือนึกถึงบุคคลนะว่าเป็นใครก็ได้ไม่ต้องมีการสวดไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ํากลวอใช้ใจใช้น้ําใจที่สะอาดบริสุทธิ์จากการทําบุญทําทานให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ าเป็นคนขี้ลืมการปฏิบัติภาวนาถือว่าเป็นการฝึกสติและช่วยทำให้แก้ความเป็นคนขี้ลืมได้หรือไม่คะได้เพราะการภาวนาก็จะเป็นการฝึกสติแล้วก็ฝึกความจำเพราะเราต้องจดต้องจำในเรื่องที่สำคัญ<ม>เช่นเกิดแก่เจ็บตายเรื่องเวียนว่ายตา ย, ตายเกิดเรื่องตายรักต้องคอยจดจาอยู่เรื่อยๆเขาถามต่อว่า การพยายามนั่งสมาธิทุกวันแต่ก็เป็นคนขี้ลืมอยู่ดีค่ะก็เริ่มได้ไงขี้ลืมก็เดี๋ยวก็หายลืมได้ถ้าฝึกสติไปเรื่อยๆ ถ, ถ้ามีสติมันก็จะคอยจดจำเรื่องราวต่างๆได้ที่ไม่ที่ไม่จดจำเพราะไม่มีสติคอยควบคุมให้มันจำมันก็เลยไม่จําคำถามจากผู้รับฟังทางบ้านค่ะ ข้อที่หนึ่งรู้ยังรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบใจกับบุคคลหนึ่งที่เขาทําตัวไม่เหมาะสมเรารู้ว่าเรายังก้าวข้ามความไม่ชอบใจไม่พ้นเพราะเวลาเจอเขายังต้องคอยสอนใจว่าเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งแ ต, แต่ขณะที่กับอีกคนมองเห็นแล้วรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมแต่ใจมันก็เฉยเฉยไม่ต้องสอนไม่ต้องอธิบายเหมือนคนแรก ที่ความรู้สึกของหนูมีต่อบุคคลสองคนต่างกันนี้เพราะปัญหาคือความไม่ชอบใจไม่พอใจต่อตัวบุคคลใช่ไหมคะก็ใช่นถ้าเราชอบเราก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่ชอบเราก็มีความรู้สึกอย่างนึงวิธีที่จะทำให้เราเฉยเฉยก็คือฝึกสติไปเวลาจะอะไรที่เราไม่ชอบก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปหัว ใ, ใจเราก็จะหยุดความไม่ชอบเอง ข้อที่สองรูปแบบการปล่อวางที่หนูใช้กับอีกคนทําไมใช้ไม่ผ่านในครั้งเดียวคะผลไม่เหมือนกับคนที่เราวางเฉยได้แล้วรู้สงสัยว่าทําไมมันไม่ขาดแล้วขาดเลยในเมื่อมันก็คือสิ่งที่ทําให้เราไม่ชอบใจคะ่ะจะให้มันขาดเลยต้องเห็นว่าเรากําลังทุกข์ทุกข์เพราะเราไปไม่ชอบเขาถ้าเราอยากจะหายทุกข์เราก็ต้องอย่าเลิกไม่ไปไม่ชอบเขาท่นเอง พอเราเลอกไม่ชอบเขาได้เราก็จะหายทุกข์แล้วเราก็แล้วเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาอีกต่อไปอเพราะวาเราทุกข์กจากการไม่ชอบของเราดน้เราต้องหยุดความไม่ชอบของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์พอเราหยุดความไม่ชอบเราหายทุกข์เราก็จะเฉยๆกับเขาได้ ถามจากผู้รับฟังหน้ากรุดค่ะการทําความสะอาดบางทีมีมดมแมลงคนทําอย่างไรไม่ให้เกิดปานาติบาศครับก็อย่าไปถูกตัวมันด้วยก็ข้ามมันไปเห็นหมดเดินมาเราเป็นแถวมันก็ปล่อยมันเดินไปแล้วก็ข้ามไปกวาดกวาดกว่าดที่อื่นไปถูกที่อื่นไป นั่งสมาธิมีความคิดผุดขึ้นมาเรื่อยๆควรทําอย่างไรอาการง่วงควรทําอย่างไรครับท่า น, นี้คือนั่งสตินั่งสมาธิแบบไม่มีสติควบคุมความคิดนั่นเองนั่งสมาธิจะให้มันไม่คิดต้องมีพุโทโธพุโทโธหรือมีการดูลมหายใจเข้า อ, อย่ามันั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยมันก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปนั่งไปแล้วต้องพุโทโธพุโทโธถ้าพุโทโธไม่อยู่ก็ใช้การสวดมนต์ปิติปิโสไปก่อนก็ได้ คำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะบุตรธิดาให้เงินพ่อแม่ได้บุญเหมือนใส่บาตพระไหมครับได้ได้เหมือนกันคำถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ หนูได้ลองอดอาหารสามวันแต่ยังกินน้ําหวานพออดได้วันที่สองใ บ, บพออดได้วันที่สองใบบ่า ย, ายแล้ววันที่สามหนูมีความฟุ้งซ่านมากเจ้าค่ะคิดแต่เรื่องของกินนั่นนี่คอยแต่จะคิดว่าออกจากภาวนาจะไปซื้ออะไรกินดีขอพระอาจารย์สั่งสอนด้วยเจ้าค่ะพอเราไม่เจริญสติไม่ควบคุมความคิดการไปอดอาหารไปอยู่คนเดียวนี้ก็เพื่อที่จะไปหยุดความคิด เราต้องขยันพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหรือขยันจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราแทนพุโทโธก็ได้เรากํลาลังทําอะไรอยู่ก็<ม>อยู่กับการกระทําอย่างนั้นอย่างเดียวถ้ามันไม่อยู่มันจะไปคิดก็ใช้พุโทโธหรือใช้การสวดอ e e ีีตีเปโสหรือท่องอาการสามสิบสองของร่างกายไปก็ได้ต้องมีอะไรให้มันทําให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเองเราต้องสั่งให้มันมาคิดในเรื่องที่มันจะเป็น วิธีที่จะหยุดความคิดของเราคำถามจะพู้รับฟังนะกูดค่ะเราจะฝึกสติอย่างไรให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานคะก็ต้องฝึกตลอดเวลาทั้งแต่ตื่นจนหลับนึงตาขึ้นมาก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดในเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าจำเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราว แล้วก็ปล่อยให้มันคิดในเรื่องที่จำเป็นเช่นเรื่องงานเรื่องการพอเสร็จงานเสร็จการก็กลับมาพุโทโธหมยต้องฝึกอย่างนี้ไปแล้วก็พอมีเวลาว่างก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไปใจถึงจะสงบอันนี้เป็นขั้นตอนแรกของการที่จะไปนิพพานพอใจสงบเป็นสมาธิแล้วขั้นตอนที่สองก็คือสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ เพื่อที่จะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ท่านถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้เราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้คํำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอความรู้เรื่องวิธีการเจริญสติระหว่างวันที่นอกเหนือจากการนั่งสมาธิด้วยครับก็ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ กำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการทำงานของเราทางานของร่างกาย คำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่อยู่ในเพศคารวะเหมือนกันคนที่มีลูกจะมีโอกาสได้บุญจากการให้ทานได้มากกว่าคนโสดหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นหน้าที่มันเป็นความจาเป็นมันถูก บ, งบังคับถ้าให้ทำทานไม่ได้ทำด้วยความอยากจะทำแล้วก็คิดว่าทำเพื่อตนเองไม่ได้ทำเพราะลูกก็ถือว่าเป็นของตนนันจะไม่ได้ทานเหมือนกับคนที่ไปทาบุญกับคนอื่นคนที่เราไม่รู้จัก คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าเราไม่พอใจเพื่อนร่วมงานแล้วเราตำหนิเขาหรือให้หรือว่าให้เขาเนใจอย่างนี้แล้วเราจะผิดศีลข้อสีไหมคะพอดีว่าอธิษฐานเข้าพรรษาไวค้ค่ะอ๋อถ้าพูดบทมันก็ผิดนะถ้าไม่พูดต่างความเป็นจริงถ้าอยากจะรักษาศีลขอ้อ น, นี้ก็อย่าพูดเท่านั้นเองเขาจะดีใจเสียใจก็เป็นเรื่องของเขาไปล้วไม่ต้องไป ไปโกหกเพื่อให้เขาดีใจแล้วเราไปตกนรกแทนเขานี่อสทำบาปเดี๋ยวเราก็ต้องไปนรกไปอาบายหนูขอถามเสริมนะคะพระอาจารย์คือถ้าเราว่าเขาแต่หรือตําหนิเขาแต่ไม่ได้โกหกอย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อสี่ไหมคะ อ, อ๋อก็อยู่ที่ว่าเราพูดความจริงหรือไม่สิ่งที่เราตําหนิมันเป็นความจริงหรือไม่ เช่นอาไปว่าเขาเป็นควายาเขาเป็นควายจริงหรือเปล่าทำเป็นเป็นก็นผิดศีนะลพูดโกหกเธอเป็นควายนะเธอไม่ใช่คนคนะําถามคําถามจากทาง y o u ูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ <c oughs> การบวชจิตกับการบวชกายให้อ น, นิสง์ต่างกันหรือไม่อย่างไรครับคือเป้าหมายต้องบวชจิต แต่บางทีก่อนจะบวชจิตได้ก็ต้องบวชกายก่อนต้องรักษาสิงก่อนแล้วก็ถึงจะไปทำภาวนาควบคุมจิตใจให้สงบได้ต้องบวชทั้งสองอย่างบวชทั้งกายบวชทั้งจิตคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะให้เงินแม่เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ดิฉันไม่ได้ใช้พอเก็บเป็นเงินก้อนใหญ่ดิฉันก็จะมอบเป็นของขวัญวันเกิดหรือวันปีใหม่ให้กับครอบครัวของเขากับครืนการทำเช่นนี้เป็นการสร้างทานหรือไม่คะดิฉันไม่ได้สร้างบุญที่วัดจะปฏิบัติภาวนาอยู่กับบ้านรักษาศีลห้าเนื่องจากต้องดูแลสามีด้วยได้เป็นการทำบุญให้กับอบิดามารดาเรียกว่าทดแทนบุญคุณเป็นการแสดงความประัยู่กตเวที ทำบุญกับพ่อแม่นี้ได้บุญมากกว่าทาบุญกับลูกๆทําบุญกับลูกนี้มันเหมือนกับทํำกับตัวเราเองเพราะเรารักลูกเราเหมือนรักตัวเราเองเราทําเพื่อตัวเราเองแต่เราทําบุญกับพ่อแม่นี้เราทําบุญเพื่อเสียสละให้ม่พ่อแม่ได้มีความสุขกา <Zel. S 2> ร, รทําบุญกับพ่อแม่นี้ได้บุญมากกว่าทาบุญกับลูกๆ เมื่อกีหนูอาจจะอ่านเข้าใจผิดค่ะอาจารย์หนูขอโทษค่ะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นแม่เขาได้รับเงินจากลูกแล้วเขาไม่ได้ใช้เขาเก็บไว้พอรวบรวมได้ก้อนใหญ่เขาก็ส่งคืนให้ลูกอย่างนี้เขาได้บุญไหมค่ะใช่เขาดูเขาได้ค่ะ ค, คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะมิจฉาสมาธิเป็นอย่างไรครับคือสมาธิที่ไม่นิ่งไม่อยู่เฉยเฉยพอสงบแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวในโลกทิศ เช่นไปติดต่อกับกายทิพย์ไ<ม>ปติดตัวกับปีศาจพูดผีเทวดาอะไรทั้นองนี้<ม>นี่เรียกว่าเป็นมิชาสมาธิเ<ม>พราะว่าเป็นสมาธิที่ไม่ให้กำลังกัดใจคืออุเบกขา<ม>กา ร, <ม> ก, ารการปฏิบัตินี้เราต้องการที่จะมีกำลังอุเบกขาเพื่อที่จะไปต่อสู้กับกิเลสเพื่อไปหยุดกิเลส ต, ตัณหาถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่เราจะสู้กิเลสไม่ได้หยุดกิเลสไม่ได้ ถ้าเราเข้าสมาธิแล้วจิตไปออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจิตจะไม่มีอุเบกขาแต่ถ้าเราทำจิตให้นิ่งสงบเฉยๆนิ่งยิ่งนานเท่าไหร่อุเบกขาก็จะมีมากขึ้นไปทั้งนั้นคำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะสิ่งที่จะทำให้การภาวนาผ่านจากการติดสุขทุกขในฌานและอรูปฌานจะเข้าจนถึงพระนิพพานได้ควรทาเช่นไรเจ้าคะ ขั้นตอนก็ต้องผ่านการปล่อยวางความสุขทางกามก่อนพอเราปล่อยวางความสุขทางกามเราไปติดความสุขทางฌานเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าความสุขทางฌานก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเวลามันเสื่อมมันหมดก็ทําให้เราทุกข์ได้เหมือนกันพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นไม่เที่ยงเราก็หยุดมันหยุดความอยากที่ไปเสกมันพอเราหยุดเราก็หยุดพ้นจากความ ทุกที่ไปติดในการเสดรูปประชานหรูปประชานได้เราก็เข้าวิปานได้คําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะความคิดเป็นกฎแรงดึงดูดไหมครับแล้วกฎแรงดึงดูดมีจริงหรือไม่ครับแบบที่เขาสอนกันในโลกออนไลน์แรงดึงดูดก็มีทางทางทางโลกเนี่ยทางวัตถุเป็นแรงดึงดูดของโลกแต่แรงดึงดูดของใจนี่ก็คือกิเลส ควรมโลภความอยากต่างๆนี้มันเป็นตัวดูดให้เราติดอยู่ในการวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากแรงดึงดูดของของกิลเลสเราก็ต้องใช้แรงดึงดูดของธรรมของศีลสมาธิปัญญาของทานทานศีลสมาธิปัญญานี้เป็นแนงนึงดูดทางธรรมที่จะดึงจิตใจให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดส่วน ส่วนการแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเป็นตัวดึงดูดให้เราติดอยู่ในการเรียนว่ายตายเกิดคำถามจากทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติค่ะทุกวันนี้แทบจะไม่ยุ่งกับเรื่องทางโลกเลยค่ะข่าวไม่ดูฟังแต่ธรรมะสวดมนต์รักษาศีลไม่อยากรับดูอะไรที่เป็นทุกข์ไม่เล่นโซเชียลมีเดียแบบนี้เท่ากับติดสุขไหมคะ ไม่ติดเราเป็นการปฏิบัติเพื่อละการมาสุขละการหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นราคําถามสักทางฟ ค, ค่ะถ้าเราพยายามสอนลูกหลานตั้งแต่อย่างเด็กให้รู้จักพรมวิหารสีอย่างนี้ดีแล้วไหมครับผมการสอนใครก็ตามสอนตอนที่เขายังเด็กมันง่ายไม้อ่อนดัดง่ายพอโตแล้วมันเป็นไม้แข็งมันจะดัดยาก อาจจะทำให้หักได้ถ้าเราพยายามที่จะไปดักเขาอย่างตอนที่เขาเป็นเด็กนี้นเขาเชื่อฟังเราบอกให้ทำอะไรเขาก็ทำตามเราแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นโตขึ้นเขาเริ่มเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นเขาก็อยากทำตามความต้องการของเขาตอนนั้นก็จะสอนเขายากยังสอนตอนที่เขาเป็นเด็กสอนที่ว่านอนสอนง่ายแล้วพอถสอนกันแล้วเขาก็ย้ายติดเป็นนิสัยไป เราสอนให้เขาทำบุญใส่บาตเพราะจะติดเป็นนิสัยไปสอนให้เขารักษาสิ่งเพราจะติดนิสัยไปฉะนั้นสอนตอนที่เขาเป็นเด็กง่ายากว่สาสอนที่เขาโตแล้วหมดแล้วเหรอคะยังไม่มีคำถามค่ะหมดแล้วเราท่า น, นี้ก่อนนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ